จเจริญพรถูกท่านหลวงพ่อเพิ่งมาเทศที่นี่ครั้งแรกนะไม่เคยมาเคยผ่านแต่ครั้งหน้าที่จริงแล้วเรื่องของพระพุทธศาสนานะมันไม่ใช่เรื่องแค่ว่าเราเป็นชาวพุทธก็เกิดถึงวันเกิดทีก็ไปใส่บาตร ท, ทีหนึ่งถึงวันตายก็หามไปใส่โลงาวัดไปสวดไปเผาศพ วันเกิดก็ใส่บาตรที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วชาวพุทธมันไม่ได้มีแค่ประเพณีประเพณีเป็นแค่เปลือกๆจุดสําคัญคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราเป็นชาวพุทธแต่เราไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราเสียโอกาสที่เป็นชาวพุทธชาวพุทธที่แท้จริงต้องศึกษา เรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อรู้แล้วนำไปปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อยกระดับใจของเราการเป็นชาวพุทธไม่ได้เป็นตามยาถากรรมไม่ใช่แค่ทําทานไม่ใช่แค่รักษาศีล น, นั่งสมาธิที่จริงอยู่ที่จุดสำคัญที่สุดอยู่ที่การพัฒนาใจไปสู่ความพ้นทุกข์สิ้นเชิง เงนจดหมายปลายทางของการเป็นพุทธของเราก็คือเราต้องมีชีวิตแบบไม่ทุกข์นะหรือทุกข์ก็ทุกข์น้อยๆถ้าอุดมคติเลยเราปฏิบัติได้เต็มภูมิเราพ้นจากทุกข์สิ้นเชิงโือเฉพาะทุกข์ทางจิตใจจะไม่มีความทุกข์จะเหลือเฉพาะความทุกข์ในร่างกายความทุกข์ในร่างกายนั้นเราห้ามไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายห้ามไม่ได้ แต่ความทุกข์ทางใจเนี่ยถ้าเราพัฒนาใจได้ถึงขีดสุดแล้วไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นใจจะไม่ทุกข์งั้นจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยอยู่ที่ว่าทำยังไงเราจะเข้าถึงความดับสนิทแห่งทุกข์นะถ้ายังดับสนิทไม่ได้ก็พ้นทุกข์เป็นลำดับลำดับไปงั้นการทำทานเนี่ยไม่ได้ทำให้เราก้าวมาสู่จุดนี้ได้ การรักษาศีลก็ไม่ได้ทำให้เรามาถึงจุดที่สิ้นทุกได้ถือศีลอย่างไงก็ไม่พ้นทุกการนั่งสมาธิก็ไม่ได้ทำให้เราเก้ามาสู่จุดที่พ้นทุกได้อยู่ที่การเจริญปัญญาพระพุทธเจ้าท่านสอนหลักไม่บอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพน้นหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว ชาติสิ้นแล้วชาติก็คือตัวทุกข์นั่นเองความเกิดไม่มีอีกความทุกข์ทางใจไม่มีอีกการเห็นตามความเป็นจริงนั่นเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานงั้นถ้าลำพังพวกเราบอกเป็นชาวพุทธเราทำทานเราถือศีลทำบุญใส่บาตรมีพิธีกรรมถึงวันสำคัญไปเบียนเทียนเลย สิ่งเหล่านี้ก็ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ายังห่างไกลากับการที่จะกล้าไปสู่ความพ้นทุกข์สิ้นเชิงแต่เราไม่ทำสิ่งเหล่านี้ได้ไหมก็ไม่ดีนะถ้าเราไม่รู้จักทาทานเราเห็นแก่ตัวไม่รู้จัก ร, รักษาศีลไม่รู้จักก็คือการไม่รู้จักควบคุมจิตใจตัวเองคนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสมันครอบงำใจได้ ไม่รู้จักฝึกสมาธิบ้างนะจิตใจฟุ้งซ่านทั้งวันจะเอากําลังที่ไหนมาเจริญปัญญาเหมือนศีลสมาธิเมันเป็นฐานสําหรับการเจริญปัญญาอยู่ๆไปเจริญปัญญาไม่ได้ฉะนั้นเบื้องต้นนะพวกเราก่อนที่เราจะกล้าวไปสู่ขั้นการเจริญปัญญาคือการเห็นรูปนามกายใจตามความเป็นจริงเพื่อจะได้เบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วหลุดพ้น เราก็ต้องรู้จักทําพื้นฐานเบื้องต้นเลยพื้นฐานของเราศีลห้าต้องมีถ้าเป็นชาวพุทธนะแต่ว่าศี่ห้าไม่มีเนี่ยไม่ใช่ชาวพุทธหรอกเพราะอะไรศี่ห้าเนี่ยมันไม่ใช่มาตรฐานขั้นต่ําของชาวพุทธนะศี่ห้าเนี่ยมันมาตรฐานขั้นต่ําของมนุษย์ธรรมดาเท่านั้นเองถ้ากระทั่งสีลห้าไม่มีภูมิของมนุษย์เราก็สูญเสียไปแล้วไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบแล้ว ถ้าเราไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนะเราจะเอากําลังที่ไหนมาพัฒนาตัวเองสัญชาตญาณของสัตว์มันจะครอบงําเราไปเลยได้อย่าถ้าเราไม่รู้จักควบคุมตัวเองเจอใครเราก็เจ้าชูเรียราชไปใช้สัญชาตญาณสัตว์เวลาเราโกรธขึ้นมาเราก็ทําร้ายคนอื่นเราก็ใช้สัญชาตญาณของสัตว์เราอยากได้ของเขาเราก็แย่งเขาดูหมาดูหมาดูแมวอะไรเนะี่ยเจออาหารมันแย่งกันมันสัญชาตญาณของสัตว์ งั้นมันกระทั่งความเป็นมนุษย์ยังไม่สมบูรณ์เลยถ้าเราไม่มีศีลห้างั้นศีลห้าเนี่ยเปนแค่มาตรฐานขั้นต่ำนะของความเป็นมนุษย์เท่านั้นเองถ้าต่ํากว่านั้นก็คือลงไปสู่ภูมิอบปยภูมิละภูมิที่เบียดเบียนกันไม่รู้เหตุผลไม่รู้ผิดชอบช่วดีละงั้นพวกเราเนะ่ยเบื้องต้นเนี่ยตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ก่อนศีลห้าข้อไม่มีอะไรมากหรอกมันคือการไม่เบียดเบียนคนอื่นทางร่างกายชีวิต ของเขาชีวิตร่างกายเขาเราไม่เบียดเบียนเขาเราไม่เบียดเบียนประตุสลายทรัพย์สินเงินทองของเขาเราไม่เบียดเบียนประตุสลายคนที่เขารักลูกเขาเมียเขาเนี่ยคนที่เขารักเราไม่เบียดเบียนประตุสลายเขาด้วยกันไปโจมตีเขาใส่ร้ายเขาทําให้เขาเสียชื่อเสียงหรือทําให้เขาเข้าใจผิดทําให้เขาโหลผิดทําให้เขาตัดสินใจผิดผิด อย่างเราแกล้งไปชมเขานะคนคนนึ่งทำไม่ดีเราก็ชมไปเรื่อยนะอ น, นั้นศีเราเสียเหมือนกันนะเราพูดไม่จริงนะคนเขาเลวๆ เ, เราก็บอกดีอย่าง น, น้นดีอย่างนี้ยุย่่มันเข้าไปให้มันเสียคนไปเลยเพราะเราเกลียดมันนะศีลเขาห้ามไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนสติของตัวเองนะถ้าตัวเองขาดสติสักข้อเดียวนะกิเลสจะครอบงําใจไม่ไปทําผิดศีน ข้อหข้อสข้อสข้อสได้อย่างสบายๆเลยนะสินข้อ1 2 3 4งสี่นเป็นศินที่กันไม่ให้เราไปเบียดเบียดคนอื่นด้วยพฤติกรรมทางกายทางวาจาของเราแต่ทางใจเนี่ยยังไม่ห้ามใจเราเกลียดเขาเนี่ยใจเราแอบไปด่าเขายยังไม่ผิดสินแต่ว่าผิดธรรมเพราะว่ากิเลสของเราเฟื่องฟูมีศีนกับมีธรรมนะคนละนกันเมื่อต้องรักษาศีนไว้ก่อนนะใจเราจะค่อยๆเข้มแข็ง เวลาอยากทำร้ายเขาก็ไม่ทำอยากขโมยเขาไม่ทำอยากนอกใจเมียไม่ทำอยากด่าว่าเขาอยากโกหกหลอกลวงเขาไม่ทำอยากกินเหล้าก็ไม่ทำตั้งใจไว้เราไม่ยอมทำเรารักษามาตรฐานของความเป็นมนุษย์ของเราไว้มนุษย์ว่าผู้มีใจสูงคือมีใจที่ฝึกอบรมได้ถ้าเราไม่มีสีกันน้นนะใจมันจะไหลลงที่ต่ำฝึกอบรมไม่ได้จะต่ำลงไปเรื่อยๆทุกวันนี้วุ่นวาย เต็มไปหมดนะเพราะคนมันไม่มีศีลระหว่างประเทศก็ทําร้ายกันไปทําร้ายกันมาเพื่อผลประโยชน์ของประเทศตัวเองจริงๆแล้วไม่ใช่ผลประโยชน์ของแต่ละประเทศด้วยซ้ำผลประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพลในแต่ละประเทศเข้ามาครอบงาการเมืองของแต่ละประเทศแล้วก็มาทําความวุ่นวายให้ประเทศโน้นประเทศนี้เพราะมันไม่มีศีลแนงนี่เราไปห้ามคนอื่น ไม่ให้ทำชั่วเราทำไม่ได้เรามาฝึกที่ตัวเราก่อนอย่าไปโทษว่าคนอื่นไม่มีศีลเลยนะเราต้องมีศีลสักก่อนก็นลักกันงั้นตั้งออกตั้งใจรักษาศีลห้าข้อเท่านั้นแหละไม่ต้องหข้อ7ข้อ8ดข้อหรอกนะไม่ต้องอดข้าวเย็นก็ได้นะไม่ต้องประพฤติปรอมประจันแบบพระก็ได้นะงั้นเอาแค่ห้าข้อใจเราจะค่อยๆเข้มแข็งถ้าเราตือศีลหได้สักช่วงหนึ่ง สักองเดือนสามเดือนอะไรเนี้ยแล้วเรานึกย้อนหลังไปว่าช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมานี้เราพยายามรักษาศีลอย่างดีเลยขาดบ้างทะลุบ้างนะดังพลอยบ้างมันธรรมะาสติเราไม่อัตโนมัติแต่ว่าเราได้พยายามเต็มที่ลวแค่นึกถึงแค่นี้นะใจเราก็จะเกิดกำลังขึ้นมานะเกิดปีติมีปีติมีความสุขยิ้มเอิบใจขึ้นมาเนมะื่อเราได้พยายามรักษาศีลสมาธิมันจะเกิดขึ้นเอง แค่เราคิดว่าเรารักษาศีลนั้นศนะีลเราไม่ดังพลอยสมาธิก็เกิดแล้วงั้นการที่เรามีศีลเนี่ยมันเกื้อกูลที่จะให้เรามีสมาธิคิดดูคนมีศีลเนี่ยจะมีสมาธิง่ายนะคนไม่มีศีลเนี่ยสมาธิเสียหมดเลยอย่างคนคิคดจะทําร้ายคนอื่นเนี่ยจิตใจฟุ้งซ่านไม่มีหรอกทําร้ายคนอื่นด้วยจิตใจที่สงบเมตตากรุณาอะไรนี้ไม่มีหรอกคนที่อยากขโมยเขาเนี่ยจิตใจไม่สงบหรอกคนที่จะเปชู้ขเขา หลอกลูกหลอกเมียเขาอะไรเนี่ยจิตใจไม่สงบหรอกคนปื้นปลั้นหลอกลวกจงจิตใจไม่สงบคนที่เล่าเมายาจิตใจไม่สงบหรอกงั้นการที่เราถือศีลนะมันจะเกื้อกูลความดีงามในระดับถัดไปคือเกื้อกูลให้เราเกิดสมาธิได้ง่ายอย่างเราไม่ทําร้ายคนอื่นนะแต่เราพลิกกลับมาเป็นมีความเมตตากรุณากับคนอื่นถ้าเมไรใจเรารู้สึกเป็นมิตรกับคนอื่นสังเกตไหมเวลาใจเราเป็นมิตรกับคนอื่นนะใจเราร่มเย็นเป็นสุข ใจเราเครียดแค้นคนอื่นเนี่ยใจเราดิ้นรนร้าร้อนงั้นเมื่อไหร่นะมันมีศีลอย่างดีไม่ทําร้ายคนอื่นนะฝึกไปมากมากนะยังฝึกใจให้มีความเมตตากรุณาขึ้นมาได้ด้วยธรรมะเราก็ดีขึ้นจนะิตที่มีเมตตากรุณานะมันมีความสงบสุขนะสมาธิมันเกิดง่ายคนที่คิดจะขโมยคนอื่นจิตใจไม่สงบนะคนที่รู้จักให้คนอื่นสังเกตไหมไปอย่างเวลาเราให้ทานหรือเราให้อาหาร ถ้าเราให้อาหารกัสัตว์นะให้อาหารปลาให้อะไรอย่างเงี้ยนะใจเราจะมีความสุขยันผู้ให้มีความสุขนะผู้อยากได้ของคนอื่นไม่มีความสุขจิตใจที่มีความสุขนะั้นมันจะเกิดสมาธิอัตโนมัติขึ้นมาแล้วในพระอภิธรรมเนี่ยพระพิธรรมสอนไว้ชัดเลว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิมีเมตตากรุณาก็มีความสุขสมาธิก็เกิดรู้จักให้ทานจิตใจมีความสุขสมาธิก็เกิด ซื่อสัตย์ในคู่ของตัวเองมันเราจะได้ความดีอันหนึ่งขึ้นมาคือความสันโดษสันโดษเนี่ยยินดีตามมีตามได้ที่เรามีเราได้การที่เราสันโดษอยู่ในคู่ของเราจิตใจเราสงบสุขนะแต่คิดจะนอกใจเมียเนี่ยจิตใจไม่สงบเลยพวกเราไม่ต้องยกมือนะใครเคยคิดนอกใจเมียบ้างมีไหมหรือนอกใจสา ม, มีผู้หญิง ก, ก็คิดนะไม่ใช่ไม่คิดบางคนสา ม, มีแย่มากๆเลยแต่แค่แค่คิดนะยังไม่ผิดศีลนะ แค่คิดนะใจก็ฟุ้งซ่านแล้วะแต่ถ้าเราซื่อสารในคู่ของเราใจเราสงบเวลาเราโกหกหลอกลวงเขานะใจฟุ้งซ่านต้องคิดเจอคนนี้โกหกอย่างนี้เจอคนนี้โกหกอย่าง น, น, น, างนี้ต้องใช้ความจํามากมายล้าเจอสองคนที่เราโกหกไว้ต่างกันเนี่ยเราต้องโกหกช้อยที่สามแนละ้วว่อทําไงจะกลมกลืนให้สองคนนี้ไม่ระแวงขึ้นมายากลําบากนะส่วนถ้าเราพูดความจริงนะเราจะได้สัจจะขึ้นมา คนมีสัจจานี้ใจสงบอยู่แล้วเพราะมันไม่ต้องคิดมากนั่นพูดความจริงอะ่ะงั้นเราต้องรู้จักนะถ้าเราถือศีลให้ดีแล้วเราเจริญธรรมะที่เป็นคู่ปรับกับกิเลสที่ทําให้เราผิดศีลไปได้่อยใจเราจะมีความสุขมีความสงบสมาธิมันจะเกิดง่ายอย่างบางคนบอกว่าฝึกนั่งสมาธิแทบเป็นแทบตายไม่เคยสงบเลยไม่รู้หลักนั่นเองถ้าเรารู้ว่าสมาธิเกิดจากความสุขนะ เราฝึกใจให้อยู่ในอารมณ์ที่ดีมีความสุขนะเราอยู่ในอารมณ์ที่ดีที่มีความสุขนะแป๊บเดียวก็สงบแล้วแค่เราคิดถึงศีลว่าเรารักษาศีลได้ดีไม่ดังพลอยตัวเองตำหนิตัวเองไม่ได้เลยใจจะมีสมาธิอัตโนมัติขึ้นมาสมัยพุทธกาลก็มีมีพระองค์หนึ่งบวชพักพวกรุ่นเดียวกันเนี่ยบรรลุพระอรหันต์พระอนาคาอะไรต่ออะไรไปตัวท่านไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ธรรมะเลยโสดาก็ไม่ได้ ฌานสมาบัติอะไรก็ไม่ได้สักอย่างหนึ่งวันหนึ่งท่านเสียใจมากเลอามีดโกนมาปาดคอตัวเองก่อนจะตายเนี่ยท่านก็นึกขึ้นได้ว่าตลอดเวลาที่บวชมานีน่มีอยู่ข้อหนึ่งที่ท่านทํำเราได้ดีคือท่านรักษาศีลได้ดีตัวท่านเนี่ยไม่เคยตําหนิตัวเองได้เลยว่าศีลด่างพร้อ ย, เ, ยเพื่อนเพื่อนพระด้วยกันก็ไม่มีใครตําหนิว่าศีลท่านไม่ดีแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยตําหนิเลยว่าศีลท่านไม่ดี ถ้าท่านคิดว่าศีลของท่านดีถ้าใจท่านมีสมาธิขึ้นมานะถ้าท่านก็เจริญปัญญาเห็นร่างกายมันจะตายใจเป็นคนดูมันรู้พระอรหันต์นะมัรูรร้พรนะอรหันต์อันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะห้ามเรียนแบบของพวกเราถ้าเชิดคอตายเปล่าๆ เ, เลยตกนรกเปล่าๆ เ, เ, เลยไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรอกเพราะท่านได้พยายามฝึกมาอย่างมากแล้วมันขาดหน่อยเดียวเอใจไม่มีสมาธิใจมันเล่าร้อนวุ่นไวายเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้ เนี่ยตอนจะตายเนี่ยไม่ได้คิดจะเอาอะไรนะ้คิดแต่ว่าเออเราไม่ได้ทําอะไรเสียหายใจมีสมาธิขึ้นมาจิตเจริญปัญญาต่อเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งขึ้นมาได้งั้นเราคอยนึกถึงนะเราไปสร้างความดีนอกจากศีลแล้วยังมีความดีอย่างอื่นๆก็มีได้อีกนะอย่างเราคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆนะ์อะไนี่ย สิ่งนี้เป็นอารมณ์กรรมฐานที่ดี น, น, นะครัเวลาเราคิดถึงพระพุทธเจ้าว่าท่านดีอย่างน้นอย่างนี้นมีพระกรุณามีพระปัญญามีความบริสุทธิ์อะไรนี้เราพิจารณาไปใจเบิกบานอิ่มเอิบมีความสุขหรือเราคิดถึงคนดีๆจิตใจก็มีความสุขนีย่ยสมมติว่เราคิดถึงสมเด็จพระเทพเนี่ยนะคิดถึงสมเด็จพระเทพเนี่ยคนส่วนใหญ่จะรู้สึกอารมณ์ดีเนะี่ยเวลานึกถึงสมเด็จพระเทพอารมณ์ดีใจจะมีความสงบสุขนะสมาธิมันจะเกิด การที่เราคิดถึงคนดีแล้วจิตใจสงบสุขขึ้นมา เ, าเรียกว่าเทวตานุสตนะิคิดถึงเทวดาเทวดาเดินดีนี่แหละคนดีดีนี่แหละก็คือเทวดาเดินดีถ้าเราคิดถึงคนดีดีใจเราก็มีความสุขถ้าเราไปคิดถึงนักการเมืองขี้โกงนึกออกไหมอะไรจะเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นไหมนะมีแต่ความแค้นใช่ไหมใจเดือดปัตดัตขึ้นมาเมื่อไหร่จะตายสุกทนะีนึกแช่งมัน ถ้ามันเจ็บป่วยมันจะตายมันถูกยิงนะขอให้มันมาโรงพยาบาลวชิระไม่ทันนะนึกแช่งมันต่ออีกนะมันตายอยู่ข้างถนนอใจไม่สงบใจไม่มีความสุขอ่ะนะหรืออย่างบางคนคิดถึงความตายบางคนคิดถึงความตายแล้วใจเหี่ยวแห้งนะอย่างนั้นก็ไปอย่าไปทำบางคนคิดถึงความตายแล้วใจสงบสุขนะมีนะถ้าเราคิดถึงความตายแล้วจิตใจสงบสุขมีความสุขขึ้นมาเราคิดถึงความตายสมาธิมันจะเกิด คือคิดถึงลมหายใจใหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็ารู้สึกเรื่องอานาปนสติใจก็มีความสุขนะบางคนถ้ารู้ลมหายใจแล้วใจมีความสุขแล้วก็ใช้การรู้ลมหายใจสมา ธ, ธิมันก็เกิดเวลาสมา ธ, ธิเกิดนะใจมันสบายใจมันมีความสุขแต่เราอย่าไปติดอยู่ในความสุขนิ่งๆเฉยๆอยู่เรางานหลักของเรายังไม่ได้ทําคือการเจริญปัญญานะเ ม, มะนั้นเ่ามีความสุขจิตใจมีความสุขมีความสงบแล้วอย่าไปหยุดอยู่ที่ความสุขความสงบ ต้องก้าวไปสู่การเจริญปัญญาให้ได้อะไรที่เรียกว่าการเจริญปัญญาการเห็นรูปนามเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนะเรียกว่าการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาไม่ใช่การฉลาดรอบรู้ในเรื่องโลกโลกอะไรเหล่านั้นหรอกแต่เป็นความเข้าใจนะเป็นความรู้ถูกเป็นความเข้าใจถูกในรูปนามกายใจของตัวเองถ้าเรารู้จักความจริงของร่างกายนะ เราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายอีกต่อไปถ้าเร า, าเราู้จักความจริงของจิตใจเราจะไม่ทุกข์เพราะจิตใจอีกต่อไปงั้นถ้าเห็นตามความเป็นจริงเราจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือรู้ความจริงของร่างกายก็คลายความยึดถือร่างกายหมดความยึดถือร่างกายก็ไม่ทุกข์เพราะร่างกายถ้ารู้ความจริงของจิตใจนะหมดความยึดถือจิตใจก็ไม่ทุกข์เพราะจิตใจเนี่ยการที่เราจะมารู้ความจริงของกายของใจได้ใช่เราต้องมีสมาธิสมาธิถ้าเป็นพูดภาษาไทยที่ฟังง่ายๆนะ คือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักประโยคนี้ไหมถ้าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่เข้าใจคําว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวลวนะภาษาไทยมันก็เปลี่ยนภาษาไทยสมัยโบราณเนี่ยเก่งมากนะบนรรพบุรุษเราเมีศัพท์ที่สะท้อนสภาวะทางจิตใจเนี่ยสองสามร้อคำนะอย่างคําว่ารักคําว่ากโกรธคําว่ากเกลียดคําว่าเซง็งคําว่าเบื่อนะแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันความรู้สึกไม่เหมือนกันแจกแจงออกไปอิจฉานะ พยาบาทแต่ละตัวไม่เหมือนกันเซงเซงกระเบื่อเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะดีกรีมันไม่เหมือนกันเซงกระเบื่อไม่เหมือนเบื่อเนี่ยเห็นหน้าคนนี้เราเบื่อเซงเนี่ยบางทีไม่มีเป้าหมายเลยอยู่ๆก็เซงเลยเซงชีวิตแล้วไม่รู้จะเซงอะไรด้วยซ้ำไปมีหลายดีกรีนะเนี่ยคนโบราณเนี่ยเก่งมากเลยบัญญัติศัพท์ออกมาสะท้อนถึงความรู้สึกเนี่ยมีอยู่สองสามร้อคำหลวงพ่อเคยรวมไว้ได้200ร้อยกว่าคํา วันหลังมีคนหนึ่งไปรวมมาสามร้อยกว่าคำว่าคนโบราณน่ะเก่งจริงจิงนี่การที่เราจะเรียนรู้จิตใจของตัวเองนะไม่ใช่ยากอะไรนะถ้าจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะเราก็คอยรู้สึกเอานะจิตใจเรามีความสุขเราก็รู้จิตใจเรามีความทุกข์เราก็รูนะ้ร่างกายสุขร่างกายทุกข์เราก็คอยรู้เอานะจิตใจเราจะดีหรือจิตใจเราจะชั่วเราก็คอยรู้เอา รู้จักใจชั่วชั่วหมโกรธเด่นไหมพวกเรารู้จักโกรธไหมเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าดูเป็นรู้ว่าโกรธเป็นยังไงแต่คนส่วนใหญ่ฮะมันไม่ปฏิบัติเวลาโกรธขึ้นมานะจะไปสนใจคนที่ทําให้เราโกรธนึกออกไหมอย่างเวลาเราขับรถ อ, อยู่คนมาปาดหน้าเราเนี่ยเราจะไปดูไอ้คนที่ปาดใช่ไหมเราจะไม่รู้ทันไม่ย้อนมาดูว่าใจกําลังโกรธที่จริงแล้วการจะเรียนรู้กายใจของตัวเองการเจริญปัญญาไม่ใช่ยากอะไร ถ้า จ, จิตใจเราอยู่กับตัวเองจิตใจไม่ฟุง้งซ่านล่องลอยหนีไปที่อื่นแล้วคอยรู้สึกที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจเรื่อยๆซึ่งไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะรู้สึกกายรู้สึกใจถ้าใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วแต่ถ้าเราใจลอยเราจะไม่รู้สึกกา ย, ยรู้สึกใจถ้าเราใจเราเคร่งเครียดเราจ้องอยู่ที่กายเจ้องอยู่ที่ใจกายไม่ใช่แข็งๆนะใจมันก็แข็งๆอย่างบางคนเดินจงกรมนะตัวแข็งไปหมดเลยนะมันผิดธรรมชาติไปหรือเวลานั่งสมาธินะใจแข็งทื่อเลยนั่นผิดธรรมชาติไป ใช้ร่างกายที่ธรรมดานี่แหละใช้จิตใจที่ธรรมดานี่แหละแล้วเราเรียนรู้มันไปไม่ใช่ยากเลยเอาทุกคนลองยิ้มหวานหวานยิ้มเียยิ้มยิ้มหวานรู้สึกไหมร่างกายยิ้มไม่ต้องดูไม่ได้ใช้ตาดูนะเรารู้สึกเอาเราพยักหน้าสิรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าแค่รู้สึกนะไม่ใช่ว่าบังคับใจหรแข็งทืง่อเอาพยักหนะ้ายิ้มสิ อย่างนี้ไม่ได้เลยนะมันผิดธรรมชาติไปอย่างนี้บางคนหัวเราะรู้สึกไหมร่างกายหัวเราะรู้สึกไปร่างกายพยักหน้าขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกหมใครนั่งร่างกายนั่งอยู่ใช่ั้ยใครรู้ว่าร่างกายนั่งใจเป็นคนรู้ว่าร่างกายนั่งน้วเราจะค่อยๆฝึกนะการที่จะเจริญปัญญานะอย่างน้อยเราต้องแยกอันหนึ่งออกมาคือแยกใจที่เป็นคนรู้ออกมานะกับสิ่งที่ใจไปรู้เข้า สิ่งที่ใจไปรู้เข้าเนี่ยภาษาพระเรียกว่าอารมณ์สิ่งที่เป็นตัวไปรู้อารมณนะ์เรียกว่าจิตและจิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันในขั้นของการเจริญปัญญาในะขั้นต้นเลยเราต้องแยกแยกจิตกับอารมณ์ออกจากกันให้ได้อย่างตอนนี้เอายิ้มหวานใหม่เห็นร่างกายยิ้มไหมร่างกายเป็นอารมณ์หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตเราเป็นคนไปรู้ไม่ต้องไปหาว่าจิตอยู่ที่ไหน แต่เราแค่รู้สึกนะ er ว่ามีคนหนึ่งเป็นคนรู้อยู่นะอย่าไปเที่ยวแสวงหาจิตนะหลวงปู่ดูลครูบาจารย์หลวงพ่อนะท่านเคยสอนเลยบอกว่าใช้จิตสแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอนะงั้นเราไม่ได้ใช้จิตสแสวงหาจิตเราแค่ว่าเห็นว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวมันมีคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่ร่างกายมันหายใจขณะดนี้หายใจไหมนะร่างกายหายใจออกนะใครหายใจออกร่างกายหายใจออกใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้ เนี่ยค่อยๆฝึกนะมันจะแยกกายกับใจออกจากกันถ้าเราแยกกายกับใจออกจากกันได้นั้นเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเป็นปัญญาขั้นเบสิกเลย ข, ข, ขั้นพื้นฐานในขั้นที่หนึ่งเลยนะคือเรียกว่านามรูปปริเฉทยานนามรูปปริเฉทยานคือเราสามารถแยกรูปกับนามออกจากกันได้รูปมันนั่งอยู่ใครเป็นคนรู้นามคือใจเป็นคนรู้รูปมันหายใจออกใครเป็นคนรู้นามคือใจเป็นคนรู้นะ รูปหายใจเข้าใครรู้ใจเป็นคนรู้เนี่ยค่อยๆฝึกไปรูปมันยิ้มนะรูปมันเคลื่อนไหวรูปมันพยักหน้ารูปมันหยุดนิ่งใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้ค่อยๆฝึกนะอย่างตอนเนี้บางคนเก่านะมีหลายคนที่เก่านะเพราะว่าเป็นธรรมชาตินั่งแล้วมันต้องคันนะเวลาเก่าเนี่ยส่วนใหญ่มจะเก่าอัตโนมัติเนะี่ยเก่าโดยไม่รู้ตัวว่าเก่านะต่อไปนี้เราค่อยรู้สึกสิคันขึ้นมาให้รู้ว่าคันนะ คันเนี่ยคือความทุกข์อย่างหนึ่งของร่างกายนะร่างกายมันมีความทุกข์มันคันนะถ้าความทุกข์มันรุนแรงกว่าน้ำตายเป็นปาดเจ็บไปถ้าทุกข์นิดหน่อยมันก็รู้สึกขันคันะร่างกายมันคันก่อนจะเก่ารู้สึกซะหน่อยร่างกายมันคันแล้วค่อยเก่าแล้วเห็นว่าเออร่างกายหายขันแล้วนี่จะเห็นว่าความรู้สึกขันเนี่ยเป็นเวทนานะเป็นเวทนาเป็ความเสียดแทงในร่างกาย มันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปใครเป็นคนดูใจเป็นคนดูใครหายใจร่างกายหายใจใจเป็นคนดูใครยืนเดินนั่งนอนร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะไม่ใช่เรื่องยากหรอกถ้าฝึกไปมากๆแล้วต่อไปเราจะเห็นความจริงที่ชัดเจนขึ้นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเหมือนถ้ำเหมือนพโพรงเหมือนเปลือกอะไรสักอย่างหนึ่งที่จิตมันอาศัยอยู่เท่านั้นเอง ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนถุงหนังใบหนึ่งเป็นถุงเหมือนถุงใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่9้ารูเป็นนับเอาเองนะมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่เก้ารูมีรูรั่วเล็กๆรูรั่วเล็กๆนับไม่ท้วนมีของโศโครกไหลออกมาเป็นนิดเราไปดูว่าจริงไหมแค่คอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเห็นมันจริงๆเป็นแค่วัตถุเท่านั้นของโศโครกอย่างเช่นเหงื่อมันไหลออกมานะ มันก็คือน้ำที่เรากินเข้าไปมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเนะี่ยค่อยๆรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆปัญญามันจะเกิดนะมันจะรู้ว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุร่างกายมันทุกข์ยังไงลองนั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทุกข์ลนะแล้วเดี๋ยวก็ขันนันก็ทุกข์นะหายใจก็ทุกข์นะเอาลองหายใจเข้าหายใจเข้าให้ยาวๆ เราดูว่าทุกหรือสุขทุกไหมรีบหายใจออกเลยจะได้แก้ทุกหายใจออกให้ยาวเลยทุกไหมเวลาเราหายใจเข้านะเราทุกเราก็แก้ด้วยการหายใจออกหายใจออกแล้วเราก็ทุกเราก็แก้ด้วยการหายใจเข้างั้นถ้าเรามีสติอยู่ในร่างกายหนึ่งเดงนะเราจะเห็นว่าร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก เนี่ยถ <Hey S 1> <Hello. S 2> ้าเราเคยฝึกอยู่เรเห็นร่างกายนี้ถูกความทุ่มบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เนี่ยถ้าเฝ้ารู้ลงไปนะต่อไปความยึดถือในร่างกายมันจะหมดไปพอร่างกายแก่จิตใจมันจะไม่หวั่นไหวนะมันจะรู้ว่าตัวทุกข์มันแก่ร่างกายเจ็บจิตใจมันจะไม่หวั่นไหวมัรู้ว่าตัวทุกข์เจ็บร่างกายตายจิตใจจะไม่หวั่นไหวตัวทุกข์มันตาย จิตใจจะวันไหวทําไมอย่างพ ร, าารนะอรหันต์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาเนี่ยวันปรินิพานเนี่ยท่านจะผ่องใสเป็นพิเศษเลยนะส่วนพวกเราวันจะตายเนี่ยหน้าซีดหน้าเซียวหน้าเขียวหน้าเหลืองกันใช่ไหมเสียดายไม่อยากจะตายนะพระอรหันต์ท่านไม่ได้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นของดีของวิเศษนะร่างกายนี้มีแต่ทุกขตลอดเวลานะทุกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อย เดี๋ยวก็หายน้ําเดี๋ยวต้องการขับถ่ายอย่างเงี้ยนานๆก็ป่วยหนักๆทีพอป่วยหนักๆทีๆขึ้นมาป่วยหนักๆไม่หายก็ตายในร่างกายไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษนั้นถ้าเรามีสติมีปัญญานะเราคอยรู้สึกอยู่ที่ร่างกายเรื่อยๆจะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษร่างกายนี้คือก้อนทุกข์ดังนั้นก้อนทุกข์นี้จะแก่ก้อนทุกข์นี้จะเจ็บก้อนทุกข์นี้จะตายจิตมันจะไม่หวั่นไหวค่อยๆฝึกไป ถึงวันหนึ่งพวกเราต้องแก่ถึงวันหนึ่งพวกเราต้องเจ็บถึงวันหนึ่งพวกเราต้องตายแก่อย่างมีสง่าราศีจิตใจเบิกบานนะเจ็บอย่างจิตใจเบิกบานจะตายก็ตายด้วยจิตใจที่เบิกบานตายอย่างลูกพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตายอย่างหมูอย่างม้านาทานะทุรนทุรายงั้นอยู่ที่พวกเราฝึกเอามีสติรู้สึกร่างกายไปเรื่อยๆแล้จะเห็นความจริงของร่างกายว่าไม่น่ายึดถือหรอกนะแล้วสําหรับจิตใจเราไม่ได้มีแต่ร่างกายเรามีจิตใจด้วย เราก็สังเกตความเปลี่ยนแปลงของใจจิตใจของเราแต่ละวันเนี่ยจะหิวโหยเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากนอนเดี๋ยวอยากนี่อยากสารพัดอยากเนี่ยเพราะอะไรอยากได้ความสุขอยากจะหนีจากความทุกข์เวลาเราดิ้นรนทุกสิ่งทุกอย่างนะอย่างไปดูหนังไปฟังเพลงไปหาของอร่อยกินอะไรเนี่ยหรือจะไปคุยกับเพื่อนเราอยากให้จิตใจมีความสุขบางคนกลุ้มใจไปกินเหล้าเมาอยากก็อยากให้จิตใจบรรพ้นจากความทุกข์งั้น สพฤติกรรมทั้งหลายของเรานะสารพัดที่เราจะทํานี่ยดิ้นรนทุรนทุไล่นียที่จริงแล้วก็คืออยากให้มันมีความสุขอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์นี่ร่างกายเราดูแล้วเนีเรารู้ว่าร่างกายมันทุกข์แน่นอนมันพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกมันเป็นตัวทุกข์จริงๆไม่มีทางจิตใจละ่ะจิตใจเราลองสังเกตให้ดีถ้าเราไปอยากอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็ทําตามที่อยากนะถ้ามีความสุข อย่างอยากจีบสาวสักคนหนึ่งเราไปจีบสําเร็จนะมีความสุขไหมหรือเราอยากจีบหนุ่มสักคนเราไปจีบได้มีความสุขไหมได้ความสุขอยู่ชั่วคราวความสุขนั้นอยู่ชั่วคราวหรือบางคนเล่นแชร์พวกเราใครเล่นแชร์บ้างมีไหมเวลาเปียดได้ดีใจไหมถ้าเปียดได้เราอยากส่งต่อไหมบางคนไม่อยากส่งต่อบางคนไม่ยอมเปียนะกะจะเอาบวยใช่ไหมเรียก บ, บวยไหะจำไม่ได้แล้ว กะเอาก็ไล่สุดท้ายไม่ต้เสียดอกเบีย้ยระหว่างที่รองวดสุดท้ายนะ่ะกลุ้มใจทุกวันเลยไม่รู้ใครมันจะเบี้ยวบ้างนี่เนี่ยเราค่อยสังเกตใจแล้วนะเราอยากได้ความสุขแต่ความทุกข์เนี่ยมันแทรกเข้ามาอยู่หนึองเนืงความทุกข์มันแทรกเข้ามาเนืองเนึองแล้วความสุขที่มีนะสั้นนิดเดียวอยากจะจีบสาวสักคนหนึ่งนะอุตสาภาคเพียนเป็นปีเลยผิดจีบมาได้ได้แต่งงานกันนะ สักั้งเดียวความสุขอันนั้นหายไปแล้วนะบางคนก็อยากโน่อนอยากนี่นะความสุขนะั้นสั้นทันเดียวใครมีลูกบ้างใครมีลูกบ้างตอนอยากมีลูกรู้สึกัหมมีลูกล้วคงชีวิตคงจะสมบูรณ์มีความสุขใช่ไหมทุกวันนี้ก็เป็นนักบอล น, นะรับลูกเลี้ยงลูกส่งลูกเลยนะชีวิตมีความสุขเครียดนะกงนังวลลูกจะถูกรถทับไหมลูกากถูกคนจับไปหรือเปล่า ลูกจะติดยาหรือเปล่าลูกจะเกเรไหมลูกจะสอบได้หรือเปล่าเนี่ยเราเต็มไปด้วยความทุกข์นะในจิตใจใเราเราอยากได้ความสุขแต่ความสุขนะ่ะสั้นนิดเดียวสมหวังแล้วก็จะต้องเกิดความอยากอันใหม่ขึ้นมาทันทีอย่างบางทีอยากได้โทรศัพท์มือถือใหม่เก็บเงินตั้งนานไปซื้อซื้อมานะรู้สึกซื้อมาหมื่นบาทรู้สึกได้กําไรนะคนอื่นเขาซื้อมาหมื่นสองเราได้ห0ื่นเดยวดีใจ ถือมาถึงที่ทํางานนะเพื่อนควากมาซื้อไม่ได้ 9,5 ้าแค่นี้ความสุขของเราก็หายไปแล้วความคับแค้นใจเกิดขึ้นแทนนะเนื่องไม่ว่าเราจะดิ้นรนนะเราได้อะไรมานะมันให้ความสุขเราสั้นนิดเดียวแป๊บเดียวเท่านะั้นเราก็จะอยากอย่างอื่นต่อไปอยากอย่างอื่นต่อไปใจก็เร่าร้อนดิ้นรนอีกแล้วนะพอได้มามีความสุขแป๊บเดียวนะก็อยากอย่างอื่นอีกใจก็มีความทุกข์ต่อไปอีกนั่นถ้าเราสังเกตให้ดีในใจของเราเนี่ย หัดรู้หัดดูบ่อยๆแล้วจะเห็นว่าความสุขสั้นนิดเดียวแล้วความรู้สึกทุกอย่างนะเป็นของที่มาแล้วไปมาแล้วไปตลอดเวลาอย่างความสุขก็มาแล้วก็ไปความทุกมาแล้วก็ไปเหมือนกันนะเคยทุกมากๆไหมพวกเราใครเคยมีความทุกเยอะๆมัางยกมือให้ดูนะซีมีไหมรู้สึกไหมมันก็ผ่านไปแล้วมันก็อยู่ชั่วคราวนะบางทีเราไม่ได้ทำอะไรวันเวลาผ่านไปความทุ ก, ก็ไม่เี่ยงเหมือนกันเนี่ยถ้าเรายังหิวสุข เรายัางเกลียดทุกข์เราก็ดิ้นมากแต่ถ้าเราเห็นความจริงนะสุขมันก็ของชั่วคราวทุกข์มันก็ของชั่วคราวอะไรอะไรที่ผ่านเข้ามาในใจเราเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยใจเรามันจะเลิกดิน้นใจมันจะเลิกดิน้นใจไม่หิวนะใจจะไม่ทุกข์อีกต่อไปนะร่างกายจะแก่นะีถ้าคนทั่วไปอยากจะสาวตลอดกาลนะทุกแน่นอนเลยแต่ถ้าเราเห็นว่าร่างกายแก่เป็นเรื่องธรรมดาใจไม่ได้มีความอยากว่าจะต้องเป็นสาวตลอดก็เป็นหนุ่มตลอดใจมันจะไม่ทุกข์ ร่างกายเจ็บป่วยนะคนทั่วไปมีมความทุกข์เรารู้ความจริงร่างกายเป็นของไม่เที่ยงร่างกายมีแต่ความแปรปรวนร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราใจมันจะไม่ทุกข์นะแล้วก็รู้ว่าความสุขความทุกข์ที่ดิ้นรนหาแทบตายก็เป็นของชั่วคราวถ้าเรารู้อย่างนี้ได้นะฝึกรู้ไปด้วยต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นในใจเราจะไม่หลงระเริงเรารู้ว่าชั่วคราว ความทุกข์เกิดขึ้นเราจะไม่เศร้าหมองเพราะเรารู้ว่าชั่วคราวอะไรๆก็ของชั่วคราวนะไปดูของจริงนะพูดเอาอย่างนี้ง่ายแต่ว่าต้องดูแล้วดูอีกจนใจมันยอมรับความจริงใจมันจะไม่กระเพื่อมหม่นไบเพราะสุขเพราะทุกข์เพราะดีเพราะชั่วหรือเพราะสิ่งใดอีกนะใจมันจะเป็นอิสระทุกวันนี้ใจเราไม่อิสระนะใจเราเป็นทาตของตัณหาตัณหามันอยากอะไรอยากมีให้ร่างกายให้ใจเป็นสุขอยากให้ร่างกายให้ใจเปนทุกข์ ถ้ามันรู้ความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์นะใจนี้เป็นของไม่เที่ยงกายนี้ก็ไม่เที่ยงร่งางกายไม่ใช่ตัวเราใจก็ไม่ใช่ตัวเราสั่งมันไม่ได้อย่างสั่งให้จิตใจมีแต่ความสุขสั่งไม่ได้สั่งว่าจงเป็นคนดีจิตใจนี่อยากชั่วนะห้ามชั่วมันก็ชั่วอยู่เรื่อยๆห้ามมันไม่ได้เนี่ยถ้าเรารู้ความจริงลงไปนะทั้งกายทั้งใจมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกขม์มีแต่ของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราต่อไปเนี่ยความยึดถือมันจะค่อยๆลลดง เราเห็นตามความเป็นจริงจิตก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือนะคลายความยึดถือต่อไปก็หลุดพน้นหลุดพ้นหมายถึง อ, อะไรหมายถึงว่าจิตนี้จะไม่กระทบกระเทือนเพราะความแปรปรวนของกายเพราะความแปรปรวนของใจอีกต่อไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในกายมันเป็นธรรมดาอะไรจะเกิดขึ้นในใจมันเป็นธรรมดาจิตมันไม่ยึดถือเมื่อจิตไม่ยึดถือจิตจะไม่ทุกข์นะจิตเป็นทุกข์ได้เพราะจิตยึดถือเพราะยึดถือแล้วก็เกิดสภาวะอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนี้ หรือเกิดสภาวะอย่างนี้ขึ้นอยากให้สภาวะอย่างนี้อยู่นิรันดอนอย่างเวลามีความสุขก็อยากให้ความสุขอยู่นานๆใช่ไหมเวลามีความทุกข์ไม่ชอบเลยอยากให้หายเร็วๆมันก็ไม่อยู่ในอำนาจเรามันก็ไม่หายะทุกอย่างเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเนี่ยคือการเจริญปัญญานะงั้นก่อนที่จะมาถึงการเจริญปัญญาถือศีลห้าไว้ะถ้าพระต้องมากกว่าศีลหนะ้าเนาะมีพระมาสีองคนะ์เดี๋ยวพระท่านบอกท่านเอาศีลห้าพอและ ยังไม่พอฐานะไม่เหมือนโยมถ้าก็ถือศีลของพระไปเราคารวะเอาศีลห้าไปถ้าอยากฝึกแบบเข้มข้นนะอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนละครั้งสองครั้งอะไรเนี่ยต้องถือศีลเข้มข้นขึ้นมาหน่อยเช่นวันพระเงี้ยวันพระไม่ได้ถือศีลห้าธรรมดามันพระอาจจะชวนสามีประพฤติปลอมาจันทร์อย่างเงี้นะวันนี้งดกิจกรรมทางเพศอย่างงี้นะสัก เดือนเดือนหนึ่งก็ได้สี่ครั้งมีสสัปดาหเป็นการฝึกตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นแต่ถ้าอยู่ปกตินะถือสี่ห้พอละอย่างคารวานเนี่ยคืออดข้าวเย็นนานๆ น, น, นะโรคกระเพาะกินทํางานเหนื่อยใช่ไหเหนื่อยเราก็ไม่ได้กินอะไรกรดมันกัดกะรนะเพาะทะลุนั่นถือสี่ห้าก็พอล้ลนะแต่ถือให้ได้จริงๆนะแล้วก็ถือจนกระทั่งมันอิ่มใจนะ เราได้ถือศีลมาตั้งสองเดือนสามเดือนอนยะ่างเงี้ยถ้าถือจนอิ่มใจได้สมาธิมันจะเกิดนะหรือทำกรรมฐานอะไรก็ได้นะที่หลวงพ่อบรรยายมาตั้งเยอะแยะคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงทานคิดถึงศีลคิดถึงคนดีๆคิดเจริญเมตตาคิดถึงร่างกายคิดถึงความตายคิดถึงลมหายใจนะกรรมฐานเยอะแยะไป แล้วแต่ว่าใครถนัดกรรมฐานอะไรก็อันนั้นอ่ะทำแล้วมีความสุขมีความสงบก็ใช้กรรมฐานอันนั้นแหละพอจิตใจมีความสุขมีความสงบนะค่อยรู้สึกตัวเรื่อยๆอย่าใจลอยอย่าเพลินในความสุขความสงบนะคอยเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรียนรู้ความจริงของใจซึ่งเรียนรู้ไม่ยากพวกเรารู้อยู่แล้วร่างกายยิ้มเราก็รู้ร่างกายหายใจเราก็รู้ร่างกายนั่งเราก็รู้รู้สึกไปได้ได้หรือจิตใจเราจะสุขเราก็รู้จักจิตใจทุกเราก็รู้จิตใจดีจิตใจโลภกลตหลงเรารู้จักทั้งนั้นอ่ะ นะแต่เป็นนี่อะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้สึกเดี๋ยวปัญญามันแก่กล้านะมันจะปล่อยวางของมันเองนะเป็นลําดับลําดับไปนะเบื้องต้นมยังไม่ปล่อยหรอกเบื้องต้นมัจะเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรากายไม่ใช่เรานี่หัดง่ายวันสองวันก็เห็นแล้วแต่ตัวที่จะเห็นว่าใจยังไม่ใช่เรานี้ดูยากนิดหนึ่งความเป็นเรามันซ้อนอยู่กับความคิดจริงจริงถ้ามองเป็นนะเวลาเราคิดเนะี้ เบื้องหลังการคิดมันมีเราซ่อนอยู่แนละค่อยๆฝึกค่อยๆดูไปสุดท้ายมันก็พบว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราถ้าเข้าใจตรงนี้ได้เป็นพระโสดาบันนะวันหนึ่งข้างหน้าจะต้องเป็นพระอราหันต์แน่นอนไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่ฆราวาสจะทำได้นะคนสมัยพุทธกาลฆราวาสเขาก็เป็นพระโสดาบันเยอะแยะเลยคนสมัยนั้นไม่ได้เก่งกว่าเราหรอกนะระดับสติปัญญาอะไรไม่ได้ไม่ได้เก่งกว่าเรา พอๆพอกันงั้นเขาทำได้เราก็ทำได้อยู่ที่ว่าเขามาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองมากของเราวันๆไม่ค่อยเรียนรู้กายใจทุกวันนี้เราเรียนรู้ว่าเนี่ยเนี่ยไปไหนก็เมื่อเช้ามานะแว่ฉันเข้าที่มอเตอร์เวย์ไมเห็นอนะ่ะคนมันนั่งกินก๋วยเตี๋ยวถือตะเกียบมือมันก็อย่างเงี้ยเก่งจริงๆนะมันจิ้มของมันได้อ่ะ เออแล้นะกินไปหลวกพ่อจังบอกพระที่มาด้วยเชื่อไหมว่าเขาไม่รู้ว่ากว๋วยเตี๋ยวอร่อยหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะจิตเขาไปอยู่ที่จอธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งและอย่างเดียวเมื่อจิตมันสนใจให้มือถือซะแล้วเนี่ยมันจะไม่รับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรื่องอื่นเนี่ยไม่รู้เลยนะมันจะรู้แต่เรื่องมือถือเนี่ยนะกว๋วยเตี๋ยวอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไร มันเหมือนอย่างที่หลวงพ่อพบอกอะพวกเราบางคนนะไปกินข้าวร้านอาหารร้านต้องหรูหรูด้วยนะกินแล้วเท่นในใจนะต้องอร่อยด้วยแถมมีเพลงฟังมีนักร้องมีอะไรอีกนะถามว่าเธอจะบริโภคอะไรขาดทุนยับเยินในขณะที่ฟังนักร้องเนี่ยนะไม่รู้รสที่อร่อยนะในขณะที่รู้รสอร่อยเนี่ยไม่เห็นทัศนียภาพที่งดงาม เนี่ยเราบริโภคได้ครั้งละอย่างเดียวนะแต่เราซื้อบริการที่จะบริโภคหลายลอย่างพร้อมๆกันขาดทุนยับเยินเลยเะนั้นถ้าจะไปกินร้านอาหารที่อร่อยเนี่ยไปสนใจอย่างอื่นนะกินอย่างเดียวแล้วเราจะรู้ว่ามันอร่อยนะถ้าเล่นมือถือไปด้วยอะไรเนี่ยขาดทุนไปซื้ออะไรไม่อร่อยอร่อยซื้ออะไรถูกๆกินดีกว่าเาะฉนั้นทุกวันนี้นะเราทิ้งการรู้สึกกายรู้สึกใจตัวเอง เราเอาความรู้สึกนึกคิดของเราผิดทุ่มอยู่กับมือถือเนี่ยเยอะมากเลยก้มหน้าก้ามตาหราพาไปมาหลายประเทศนะบางทีประเทศที่นั่นที่นี่ไปดูเราพบพบอย่างหนึ่งว่าในประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเขาไม่บ้ามือถือประเทศด้อยพัฒนาเนี่ยเล่นเอาเล่นเอานะเป็นเครื่องวัดอย่างหนึ่งนะเป็นตัวดัชนีชี้วัดความด้อยพัฒนาคนญี่ปุ่นไม่ทําอย่างนี้นะ คนเยอรมันไม่ทําเลยนะคนเยอรมันอย่าว่าแต่อย่ามาเล่นมือถือเลยกระทั่งโทรศัพท์ในเวลาทํางานมันยังไม่ทําเลยมันถือว่าชี้โกงมันขนาดนั้นนะแต่พอนอกเวลาเป็นเวลาของมันแล้วนะแต่ละชาติไม่เหมือนกันญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีเวลาของครอบครัวหมดเวลาทํางานก็ยังต้องคลุกอยู่กับพรรคพวกสวนเสฮายหาไม่เลิกหรอกไม่กลับบ้านหรอกคนเยอรมันหมดเวลาปลุ๊บกลับบ้านแต่ละชาติไม่เหมือนกัน แต่ว่าชาติที่เขาเจริญเจริญเน่ยเขาไม่บ้าไอ้พวกนี้เลยในชาติที่ด้อยพัฒนาเนี่ยขยันเล่นพวกนี้มากเลยทางโลกก็เสื่อมนะทางธรรมก็เสื่อมนะแต่ถ้าเราเล่นเพื่อทำมาค้าขายทางอินเทอร์เน็ตเนใช้ได้นะอย่างนั้นมีประโยชน์หรือเล่นเพื่อจะฟังซีดีดู u t u b e ที่หลวงพ่อเทศถือว่าใช้ได้นะเน้นยกไว้แต่ดูแล้วไม่ใช่อ่ะฟัง youtube อะไรของหลวงพ่อประมวขเมือ อย่างนี้นะไม่ใช่แน่งั้นแต่ปล่อยให้เวลาซูนเปล่าๆนะถือศีนหไว้ฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวเรียนรู้ความจริงของกายของใจบ่อยๆนะแล้วใจเราจะพัฒนาขึ้นบางคนใช้เวลาเดือน2เดือน3เดือนใจก็เปลี่ยนแล้ววันะนที่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยเชื่อตัวรู้ด้วยตัวเองนะว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในใจของตัวเองคนครอบรอบตัวเขาก็รู้สึก อย่าที่วัดนะบางทีผู้หญิงมาเรียนนะสักพักหนึ่งสามีตามมานะสงสัยว่าทําไมเมียตัวเองเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเนี้ยปากร้ายมากเลยยิ่งประนังแก้วหน้าม้าอยู่นะปากยิ่งปากปากม้าอยู่เข้าขั้นปากหมาเลยลนะ่ะทาไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยด่าสามีเลยเนะียพฤติกรรมเปลี่ยนสงสัยว่าหลวงพ่อเอาอะไรให้กินหลวงพ่อเอาพุทโธให้กินเนะีพุทโธพุทโธ ร, รู้สึกไปแนละ้วไม่มีเวลาด่าใคร เนี่ยคอยรู้เนื้อรู้ตัวไปนะใจมันเปลี่ยนถ้าใจมันเปลี่ยนนะตัวเองรู้ด้วยตัวเองคนรอบข้างเขาก็รู้สึกแล้วค่อยๆฝึกนะะสังคมรอบๆตัวเราจะได้ร่มเย็นบ้างอย่างน้อยในบ้านเราจะได้ร่มเย็นถ้าคนไม่มีศีลมีธรรมไปซุมหัวอยู่ด้วยกันมีแต่ความร้าร้อนนี่จะเริ่มทีเดียวทั้งบ้านก็เริ่มยากเริ่มที่ตัวเราก่อนเปลี่ยนตัวเราก่อนให้คนในบ้านเขาเห็นว่าเราพัฒนาตัวเองได้อย่างน่าทึ่ง แล้วเขาจะได้สนใจปฏิบัติบ้างเขาเข้าปฏิบัติในบ้านเราจะร่มเย็นนะมีความสุขมากเลยค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกไปวันนี้พอสมควรใก่เวลานรันส ก, การหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านตื่นเต้ น, นะคะ่ะส่งกันบ้านครั้งแรกนะคะ<ม> ก, ก็ฝึกปฏิบัติแนวทางหลวงพ่อมาประมาณสามเดือนนะคะก็ะขอคําชี้แนะจากหลเดือนค่ะรู้สึกเปล่าว่ากายกับใจมันโกลโรน ก็ก็สงสัยว่าจะมาถามเราเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบมีเสียงภาคตลอดว่าเสียงภากันนะห้ามมันไม่ได้หรอกค่ะเห็นไหมมันพูดได้เองรู้สึกไหมมันไม่ใช่เราจิตเนี่ยมันพูดของมันได้เองมันคิดนึกหลงแต่ได้เองเนี่ยค่อยๆเรียนไปนะเราจะรู้เลยกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราใจมันก็พูดได้เองสังเกตไหมมันคิดได้เองด้วยค่ะแล้วสังเกตไหมมันโลภโกรธหลงได้เองด้วยค่ะรู้สึกไหมมันสุขมันทุกข์ได้เองด้วย ดูไปเรื่อยนะวันนึงจะเห็นไม่ใช่เราหรอกค่ะขอขอถามเพิ่มนะะิดนึงค่ะก็ตรงที่อหนูอสงสัยว่าเรื่องการแทรกแซงจิตนะเจ้าค่ะอย่างเช่นเหมือนแบบบางเวลาถ้าแบบหนูรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าไม่ไม่อยากให้มันไม่อยากให้ความหงุดหงิดเกิดขึ้นแล้วหนูก็เพราะว่าถ้าเกิดหงุดหงิดแล้วเหมือนจะแบบจะติดอยู่ในอารมณ์นั้นแล้วก็จะทำอะไรต่อไม่ได้ทั้งวันหนูก็จะแบบแทรกแซงในการแบบ หยิบ m อ3พสามของหลวงพ่อฟังเจ้าค่ะอย่างนี้แบบทำได้นนไหมเจ้าคะ่ะนะเปลี่ยนอารมณ์ไปซะใช้อารมณ์ที่ดีขึ้นมาแทนอันนั้นเป็นสมถากรรมฐานฟังธรรมะเนี่ยให้ใจเข้าเคลียกับธรรมะเป็นธรรมานุสตินะได้สมถะนะแต่ถ้าจะเป็นวิปัสสนาเนี่ยเราเห็นว่าใจฟุ้งซ่านเห็นใจที่ไม่ชอบความฟุ้งซ่านรู้ทันนะพรใจเป็นกลางนะความฟุ้งซ่านหายเอง เพาความฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเราจะภาวนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้หายฟุ้งซ่านแต่เราจะภาวนานเฉยๆว่าฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงความสงบก็ไม่เที่ยงนะความดีก็ไม่เที่ยงความชั่วก็ไม่เที่ยงดูเพื่อให้เห็นสิกเหล่านีา้แต่ถ้าเราไปตั้งเป้าผิดน ik, ะเราจะภาวนาเอาดีเอาสุขเอาสงบเนี่ยนะดีมันไม่เที่ยงเนี่ยเพราะนั้นทำไม่สําเร็จหรอกสุขสงบมันก็ขอไม่เที่ยงนะฝึกไงก็ไม่สําเร็จหรอกแต่ถ้าเราฝึกให้เห็นความจริงทุกอย่างไม่เที่ยงอย่างเนี้ยดูง่าย เพราะงั้นอย่างฟุ้งซ่านขึ้นมารู้ว่าฟุงา้งซ่านใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบแล้วดูไปสิฟุ้งซ่านจะเที่ยงไว่เที่ยงนั่งดูไปถ้าอย่างนั้นเราจะได้ปัญญาแต่ถ้าฟุ้งแหลกรานสู้ไม่ไหวแล้วทําสมถะไปเปิด MP ็สหลวงพ่อก็ใช้ได้เราต้องรู้ว่าเราจะสู้ด้วยเครื่องมือตัวไหนถ้าศัตรูยังไม่เข้มแข็งมากนะเราจะเริญปัญญาได้ ดูเกิดดับได้ถ้าศัตรูไม่นเข้มแข็งมากโว้ยฟุ้งแหลกลานละสู้มันไม่ได้ก็ใช้สมาธิถ้าอย่างสู้ไม่ได้นันจะไปฆ่าเขาแล้วแล้วก็ใช้ศีลแลน้วเรามีเครื่องมืออยู่หลายตัวในการสู้กับกิเลสค่ะแล้วก็ขอถามอีกอย่างค่ะก็เรื่องการดูจิตลงไปตรงๆอ่ะเจ้าค่ะ เหมือนแบบอย่างเช่นแบบบางครั้งแบบมีเรื่องคิดขึ้นมาเองแล้วก็อยู่ดีๆเหมือนน้าตาจะไหลหนูก็เลยแบบว่าก็มองลงไปแล้วเหมือนมีเสียงผ้าแล้วก็ภาคแบบว่าอ่ดูซิว่าจะร้องไห้ไปถึงเมื่อไหร่แล้วก็มันก็หยุดเองแบบนั้นไแบบถูกไสมถอนะถ้าเมื่อไหร่มีการแทรกแซงก็เป็นสมถะทางนั้นถ้ารู้อย่างที่มันเป็น่ะจึงจะเป็นวิปัสสนาดะงนั้นถ้าใจเศร้ารู้ว่าเศร้าใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบใจเป็นกลาง พอ ใ, ใจเป็นกลางแล้วเห็นความเศร้ามันเกิดดับไปอย่างนั้นเราเดินปัญญาแต่ถ้าสัญญาเราสู้ไม่ไหวเราก็ใช้สมาธิเอาตัวรอดไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งแต่อย่ารอดจนคุยตัวนะเอ๋อหนีเข้าหาจะมาถาตลอดเนี่ยอย่างนั้นจะไม่เก่งหรอกแต่ก็เหมือนแบบมีเมื่อสองวันก่อนเหมือนแบบหลับแล้วก็เหมือนแบบจิตตื่นขึ้นมาแล้วก็เหมือนมันมีอ่ คำพูดประโยคนึงผุดขึ้นมาจากความว่างอนี้ะคะแล้วก็เหมือนมีอีกประโยคนึงต่อตว่าแล้วก็คิดว่ามันปรุงแตง่งเสร็จแล้วก็เหมือนก็หายไปสักพักแล้วก็เหมือนมีเรื่องใหม่ขึ้นมาหนูก็เลยคิดว่าอา้าวเรื่องนั้นดับไปแล้วก็เลยเไม่รู้ว่าฝันไปหรือว่ามันเป็นจริงๆเราฝึกอยู่ข้านอกนี่แหละเวลาร่างกายมันหลับหน้าจิตมันพักพอแล้วจิตมันจะตื่นจิตมันมาเดินปัญญาได้นะ ที่จิตก็ไปทําสมาธิทรงฌานสว่างสวายอยู่ร่างกายนอนหลับอยู่ก็ได้นะจิตเป็นทำได้เองทั้งสมถะทั้งปัญญาเลยอยู่ที่การฝึกของหนูมีจุดอ่อนคิดมากไปงนั้นต่อไปใจฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านถ้ามันภาคก็ไม่ห้ามก็รู้ว่ามันฟุ้งซ่านครั้งที่สองตรงที่มันภาคหรือฟุ้งซ่านรอบที่สองลนะก็รู้อย่างนั้นแหละ S <S จนกระทั่งเห็นนะมันไม่ใช่เรามันทํางานของมันได้เองไปดูนะมันไม่ใช่เราของหนู ด, ดูในประเด็นอนัตตาไว้ในแง่ที่ไม่ใช่เราเนนี้จะดูง่ายในตัวอันนี้จังดูยากนี่ใส่เป็นอย่างนั้นขอบคุณจ้ะค่ะกลับนึกมสหลวงพ่อค่ะก็ส่งการบ้านครั้งแรกเหมือนกันภาวนามาประมาณแปดเดือนแล้วค่ะฟังซีดีหลวงพ่อมากม็หนูทําในรูปแบบ เช้าแล้วก็กลางคืนก่อนนอนค่ะทุกวันเป็นเวลาประมาณเกือบแปดเดือนแล้วค่ะก็ดูลมหายใจเป็นหลักค่ะส่วนในระหว่างวันก็จะใช้วิธีการดูลมหายใจ๋ยวามาดูลงพ่อสิดูลมหายใจก็ดูไปรู้สึกไหมเพ่งค่ะเราไม่เพ่งนะเราแค่เห็นร่างกายหายใจ ใจเป็นคนดูสบายๆร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันค่อยๆฝึกของหนูใช้ได้อยู่นะแต่ตอนนี้จิตถึงฐานไหมไม่ถึงแต่ตื่นเต้นมากหนูดูใจที่มันสั่นตลอดเวลาเลยอะค่ะดีละอย่าให้มันหยุดก็แล้วกันให้มันสั่นไปค่ะ หลวงพ่อคะคือพอดีหนูจะถามว่าปกติเนี่ยระหว่างวันหนูจะดูกายเคลื่อนไหวเป็นหลักเพราะดูจิตไม่ค่อยเป็น<ด>แตด่ดูกายไปแต่หนูดูโมโหโกรธคือตระกูลโทสะที่หลวงพ่อบอกว่ามีบุญพวกที่เป็นโทสะจริตเห็นชัดมันดูง่ค่ะแล้วหนูก็เห็นไปถึงเดี๋ยวนี้ก็คือเริ่มจะรู้สึกว่า เวลาหงุดหงิดลังคาญบันมีอะไรดันขึ้นมากลางอกเหมือนฟองน้ําที่มันผุดละหายอย่างนั้นถือว่าใช่ดูอนัดูไตลักหรือเปล่าคะใช่เห็นไหมมันผุดได้เองมันดับได้เองค่ะเห็นนั่นแหละเรียกว่าเราดูจิตเป็นถ้าดูจิตแล้วไปจ้องแล้วมีแต่ว่างๆไม่ใช่ดูจิตนะนั่นไปเพ่งจิตค่ะถ้าดูจิตเราเห็นจิตมันเกิดดับมัผุดขึ้นมาจากกลางอกนี่แหละผุดแล้วก็ดับไปดับไปค่ะผุดเองดับเองบางครั้งเหมือนอย่างคุยกับเพื่อนแล้ว เวลาที่เรามีความคิดบางอย่างมันผุดขึ้นมาเป็นคําพูดแต่เรายังไม่ทันพูดออกไปรู้ว่าถ้าเราพูดออกไปแล้วเนี่ยไม่ดีแน่อืก็ก็ก็รู้สึกว่าอีกใจหนึ่งเออดีแบบเหมือนก็นี่คือธรรมะที่ช่วยเราใชให้เราไม่พูดออกไปอย่างเนี้ยค่ะเราไม่ผิดศีลใช่ไหมเรามีสติแล้วเรารู้ว่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวผิดศีลเราไม่ทําค่ะอีกอันหนึ่งที่จะถาเรียนถามหลวงพ่อก็คือว่าที่มันเคยมีความรู้สึก เหมือนกับที่คนสงสัยบ้านที่ว่าอาการยิบยับที่มันอยู่ตรงไหนหนูมไม่ทราบ ม, มันเหมือนกับเราเหนื่อยหรือเรากังวลแต่ไม่ได้กังวลหนูไม่รู้ว่าหนูคิดไปเองอเลในความเป็นจริงนะสัตว์โลกนี่จมอยู่ในกองทุกข์เราไม่เห็นเลยจิตนี่นะปรุงแต่งตลอดเวลาเลยมันทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เคยเห็นนี่ตรงนี้ถ้าเราเห็นแล้วเย็นเราจะรู้จักทุกข์นะ ม, มันจะทุกข์มากเลยค่ะ แต่ถ้าทุกจะเนิ่นทั้ง เ, เหนื่อยแล้วเนี่ยจะต้องทำสมถะนะทําสมถะให้จิตได้พักแล้วกลับมาดูใหม่ถ้าไปดูยิบยับรวดเดียวอะไรจะเหนื่อยทนไม่ไหวหรอกอืมก็อย่างนี้คือหลวงพ่อจะแนะนําว่าไง<ห>ตอบไไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะขอบพระคุณค่ะแยกขันได้ชํานาญแล้วนะอืมนมัส ก, การกระพวงพ่อผมทํามาสักสี่เดือนแล้วครับ ก็นั่งสมาธิหายใจนะครับอืมแรกๆก็เพ่งนะครับเพ่งจนปวดเออ <laughs> ไปหมดเลยแล้วก็เ อ, อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็มีอาการว่าปวดฟันออืแล้วก็มันก็เด้งออกมาดูเองเลยครับว่ามันปวดครับเอออย่างนั้นแหละภาวนาเก่งครับเสร็จปุ๊บก็ไปหาหมอครับก็กลัวหมอมันก็เห็นว่ามันแบบ ปุงดีปุงชั่วกันอยู่ในนั้นนะครับกลัวหมอกลัวเจ็บกลัวอะไรเงี้ยครับดีให้รู้ทันอย่างนั้นแหละครับภาวนายอย่างนั้นแหละสังเกตไหมความรู้สึกทั้งหลายมันเป็นไปเองใช่ครับตัวนั้นแหละตัวที่เราเห็นว่ามันเป็นไปเองนี่ว่าเราเห็นอนัตตานะครับดูซ้ําแล้วซ้ํำอีกจนกระทัง้งวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงมันไม่ใช่เราหรอกมันทํางานของมันเองครับดีครับแล้วหลวงพ่อมีอะไรช่วยทําอีกไหม นะครับเวลาไปหาหมอฟันเนี่ยดูง่ายนะง่ายกว่าไปหาหมออย่างอื่นครับเพาหมอฟันเนี่ยเสียงคล้ายๆคนเขาขุดถนน่ะใช่ครับความตึงตึงมันเกรงไปทั้งตัวแล้วหลวงพ่อมันกลัวครับเลยเห็นง่ายถ้ากลัวอยากดูได้ก็ดูไปนะถ้าดูไม่ได้เนี่ยเอาความรู้สึกไปจับอยู่ที่หัวไม่เท้า ถ้หมอไม่ยุ่งกับหัวแม่เท้าเราเออมันก็ยังเจ็บนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันอยู่ห่างๆเออมันจะอยู่ห่างๆอยู่ห่างๆมันเจ็บมันอยู่ห่างนะครับอืมถูกแล้วลนะถูกแล้วใช่ไหมพ่อครับใช่แล้วผมยังเพ่งอยู่ไหมครับตัวนี้ยังเพ่งอยู่ยังเพ่งอยู่ใช่ไหมครับยังมีอยู่ของขอเก่ามันนักเพ่งครับอืมกราบดวยวาสนาหุวงพ่อรู้สึกไหมว่าใจเราไม่เหมือนเดิมดูออกไหมแล้วจะสงสัยอะไร อ า, อาจจะเพราะว่าเวลาจะเหลือน้อยอย่าไปกงังวลเราภาวนาถูกละกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราอาศัยอยู่ชั่วคราวความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรามันเกิดเองดับเองภาวนาได้ดีนะทำอีกไปกราบสมทบการหลวงพ่อค่ะก็หนูปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อมาประมาณหนึ่งปีค่ะแล้วก็ หลวงพ่อเคยกรุณาให้หนูไปดูความอยากความอะไรนะความอยากอะค่ะเออเห็นไหมค่ะก็ก็ตอนแรกก็ก็คือเห็นค่ะแต่ว่ามันจะเห็นอย่างอื่นด้วยค่ะหลวงพ่อคือคือบางครั้งก็เห็นเหมือนกับว่าตัวเองแบบเหมือนกับคุนคุนในใจก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นด้วยค่ะแล้วก็คือหัาดูนะตัวไหนเด่นนะดูตัวนั้นก่อนเอาตัวเดียวเลยเสร็จแล้วจะเห็นตัวอื่นเองนะ อย่างเราเห็นความอยากเนี่ยตัวโลภะตัวคุนขุนตัวโทสะเนี่ยมันเห็นเองอะเรารู้สึกไหมบางวันก็สงบบางวันมันก็ฟุ้งซ่านค่ะรู้สึกค่ะนี่ได้มันเป็นเองไม่ใช่เราหรอกค่ะข้อข้อที่สองหนูอยากกลับขอถามหลวงพ่อค่ะคือหนูปฏิบัติตามรูปแบบค่ะตอนกลางคืนก็จะฟังทำฟังธรรมก่อน แล้วก็ตอนที่ฟังธรรมจิตใจจะรู้สึก ส, สบายสงบค่ะ <Ừ. S 2> ทีนี้พอหลังจากนั้นก็จะไหว้ไว้พระแล้วก็จะเดินจงกรมนักสมาธิแต่ตอนที่เดินจงกรมจะเห็นความฟุ้งซ่านของตัวเองเยอะมากค่ะหลวงพคือระหว่างเดินตอนเดินก็จะรู้สึกเหมือนกับขาขยับแต่ว่าสักพักหนึ่งก็จะคิดแล้วก็ขาขยับแล้วก็คิดเห็นไปเรื่อยๆแล้วจะรู้สึกเหนื่อยค่ะรู้สึกเห็นความฟุ้งซ่านแล้วรู้สึกเหนื่อยเหมือนรู้สึกเอ๊ะทำไมทำไมเหนื่อยกว่าเดิมถ้าถ้าอย่างนั้นก็ <S <S ใช้กรรมฐานอย่างอื่นอย่างเช่นรู้ลมหายใจ รู้ลมหายใจไปแล้วใจหนีไปแล้วรู้รู้ไปสบายๆไม่บังคับนะไม่บังคับใจของตัวเองไม่บังคับลมหายใจต้องดูกรรมฐานอะไรที่เราทําแล้วสบายๆถ้าทำแล้วเครียดฟุ้งซ่านมากๆก็อาจจะไม่เหมาะกับเราค่ะคือมีอยู่วันหนึ่งที่หนูเดินจงกรมค่ะแล้วก็หนูก็เหมือนที่เรียนหลวงพ่อไปก็คือเดินแล้วก็ฟุ้งแล้วก็จะมีอยู่ครั้งหนึ่งหนูก็รู้สึกว่าพอฟุ้งแล้วพอมันกลับทติมาแล้วมันก็ตกใจว่าแบบ เอ๊ะใครเดินอยู่อะไรเงี้ยเอออย่างนั้นใช้ได้ก็ตกใจแบบก็ทีนี้กลัวมากก็ไม่กล้าไม่ไม่กล้าเดินต่อคือกลัวคือกลัวมันสอนให้เราเห็นหน้าว่ากายนี้ไม่ใช่เราค่ะเนี่ยคือวันนั้นหนูไป่กล้าดูกระจกหนูกลัวหน้าไม่เหมือนเดิมคือกลัวแบบไม่เหมือนไม่เหมือนแน่นอนไม่รู้ว่าแบบหน้าตาจะดีกว่าเขาเพราะคนกิเลสแรงๆหน้าตาน่าเกลียดจะตายไปคนมีสติมีศีลมีอะไรหน้าตาผ่องใส งั้นยังไงก็หน้าไม่เหมือนเดิมคหนูเพือยากทําเพราะท้งหนูที่หนูเดินมาเดินให้ดูสิบรรยายแต่ฝาก <c oughs> เอาฝากใหม่ไว้กับคนอื่นก่อนลงละก้าวแรกก็หลงละนะเรารู้สึกเอา <c oughs> เปลี่ยนใหม่เดินสบายๆไม่ต้องสนใจร่างกายเดินแล้วคอยรู้ทันเวลาใจมันไหลไป เ อ, เอาใหม่เดินสบายๆไม่ต้องมีกระบวนท่ามากไม่สนใจร่างกายเลยนะเดินแล้วก็รู้ทันใจที่หลงไปหนูใช้กรรมาฐานผิดชนิดน่ะมันเลยไม่ไม่ถนัดมันไม่ถนัดดูกายให้มันถนัดดูจิตให้มันดูจิตไปไปนั่งไปผมหนูอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าหนูจะทําในรูปแบบแบบกรรมาฐานชนิดไหนดีเดินแต่ว่าเดินดูจิตไม่ใช่เดินดูกายค่ะ ก็คือเดินแล้วก็เดินสบายๆ ส, สังเกตว่าเราคิดอว่าใจเราใจมันไปคิดสังเกตรู้ทันว่าใจไปคิดไม่ใช่คิดอะไรนะอ๋อค่ะคิดอะไรไม่สําคัญสําคัญที่ว่ามันคิดอืมคือเดินให้สบายกว่าวันนี้ใช่ไหมคะใช่เดงนี่เครียดไม่ได้เรื่องเลเหนื่อยอ๋อค่ะแล้วก็คือหลังจากนั้นหนูก็จะนั่งสมาธิต่อก็เลยก็เลยก็นั่งรู้สึกใจไปนั่งดูใจต่อไปนะ ในทุกๆอิริยาบถไม่ว่าจะเดินหรือจะนั่งรู้ทันใจไปนิมมัสการครับหลองพ่อก็ผมปฏิบัติมาประมาณห้าหกเดือนนะครับก็ใช้วิธีดูกาย5้าเดือนอย่างนี้ก็เก่งแล้วนะอ๋อครับดูกายเสร็จแล้วพอจิตมันฟุ้งไปก็ตามรู้<ม>ครับคราวนี้พอรู้ปุ๊บมันก็จะ ไม่ไปคิดละก็สงบ ก, กลับมาสงบใหม่แต่ว่าพอเวลาโกรธเนี่ยถึงรู้ว่าโกรธมันไม่หายโกรธะครับ <c oughs> โกรธหรือจะรากหรือจะอะไรเนี่ยนะมันเกิดจากเหตุทั้งหมดแหละถ้าเรายัางตรึกอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนะความโกรธก็ยังอยู่นะครับ <c oughs> สังเกตไหมมันตามหลังความคิดมาต้องคิดในทางไม่ดีนะถึงจะโกรธ ถ, <c oughs> ถ้าคิดในทางสวยทางงามทางดีมัราคะมันก็เกิดครับ <c oughs> ไปดูนะมันมีเหตุมันก็ยังอยู่เราไม่ได้พอนาให้มันดับนะบพอนาให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้โอโก็รู้ว่าโกรธไปใช่ครับอย่างเราเกลียดคนนี้มากหนึคนนี้มันยังมากวนประสาทเรามาพูดกวนประสาทเราอยู่เรื่อยๆนะเราก็คิดเมื่อไหรมันจะตายสัทีอะไรเงี้ยอย่างนี้ยังไงก็โกรธนะอ<ม>ืถ้าคิดอ้วนั่งสารเนี่ยดูสิพุทธเจ้าเพิรเจอร น่าสสารใจเป็นเมตตาหายโกรธเลยนะมีอีกข้อหนึ่งคุณป้าฝากมาถามออท่านบอกบางทีมีสภาวะเกิดท่านก็อยากจะรู้แต่ท่านไม่แน่ใจว่าสภาวะมันโกรธหรือมันน้อยใจอย่างเงี้ยไม่จำเป็นไม่จำเป็นว่าต้องรู้จักว่ามันคืออะไรนะครแค่เห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปแค่นั้นถูกต้องแล้วสมบูรณ์แล้วในการปฏิบัติ ไม่ต้องรู้ชื่อแท้มันหรอกครับแต่ควรจะรู้ว่าเรารู้สึกทุกข์กับมันประมาณนี้ครับรู้สึกยินดีไหมรู้สึกยินร้ายไหมครับรู้ทันใจที่ยินดียินร้ายครับคับคุณครับแต่รู้เท่าที่รู้ได้นะทีแรกก็รู้สภาวะก็เห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นหายไปอย่างนี้ก็ใช้ได้ครับแต่บางสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วใจเราไม่ชอบเงี้ยให้รู้ว่าไม่ชอบ บางสิ่งเกิดขึ้นมาใจเราชอบรู้ว่าชอบครับแต่ใจเราเป็นกลางเราก็เห็นว่าสิ่งนั้นแหละเกิดแล้วก็ดับไปครับขอบคุณครับวันนี้ส่งกันบ้านดีๆทุกคนเลยนะที่ภาวนามาใช้ได้ทุกคนเลยของคุณนี่ก็ดีมาสกดตหลวงพ่อครับครั้งที่แล้วไปส่งกันบ้านที่ศูนย์สันติธรรมหลวงพ่อบอกภาวนาดีแล้วใช้ได้แล้ได้ พอกลับไปมันก็ไปคอยประคองไปคอย<โ>อจะเป็นทุกรลนนะ ค, คนไหนที่หลวงพ่อชมเนี้ยพังภาพทุกไลน์นี่ก็เลยก็ก็ ก, ก, กรู้ทันไปเท่าที่รู้ทันได้ครับนั่นแหละตอนนาถูกแล้วแล้วก็ทํารูปแบบโดยกันเดินจงกรมอยู่เช้าเย็นเลครับผมสังเกตให้ลึกซึ้งลงไปตอนนี้มอง <c oughs> เห็นได้แล้วสติปัญญาพอแล้วสังเกตไหมเบื้องหลังทุกอย่างเนี้ยมีเราซ่อนอยู่บนะ ใครรู้ทันมันไม่ว่ามันนะแค่รู้ว่ามันมันมีเราแฝงอยู่ครับรู้ไปเรื่อยๆไปห้ามไม่ห้ามนะแค่รู้สังเกตว่ามีตัวเราเลยไม่มีเราถ้ารู้ทันไปเรื่อยๆเราเราไม่มีจริงหรอกมันแค่ความคิดเท่านั้นเองดีนะภานาเก่งเดี๋ยวหลวงพ่อชมอีกแล้วเดี๋ยวต้องเลออีกช่วงหนึ่งนะแล้วไม่ต้องไปหานะว่าเราอยู่ตรงไหนนะ เดี๋ยวพอได้ยินมาให้รู้ว่ามีเราเลยเที่ยวหาใหญ่จะยุ่งอย่างไปอีกหลายเดือนเลยคมันยังไงมันจะรู้เองหรอครับเป็รู้เองหลวงพ่อแค่พูดกับตุ้นหน่อยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเห็นเองโอเคครับเดแต่ไม่ต้องไปเที่ยวคนกว่าหรอกครับครับครับขอบขอบขอบคุณมากครับหลวงพ่อกลับน้มัศการหลวงพ่อค่ะอ่าปฏิบัติมาหนึ่งปีสี่เดือนด้วยวิธีรู้ลมหายใจค่ะปฏิบัติในรูปแบบทุกวันค่ะคราวนี้ส่งกันบ้านในรอบสี่เดือนค่ะเขาที่แล้วหลวงพ่อให้ไปเออ่ บอกว่าอย่าโลภค่ะก็รู้รู้ตัวได้บ่อยขึ้นว่าโลภแต่ก็ยังมีความอยากดีอยู่ค่ะตัวเนี้มันทำให้เราไม่มีความสุขนะใจมันจะเครียดพอเราโลภมากเราดิ้นรนมากใจมันจะเครงเครียดค่อยๆรู้ไปแล้วมันค่อยๆลดลงดีกว่าแต่ก่อนแล้วละใจมันยังไม่หมดหรอกเวลาปฏิบัติในรูปแบบหนูคพว่า ก็มีสติได้เร็วขึ้นค่ะเห็นสิ่งที่มันผุดขึ้นบางทีก็ยังไม่รู้ว่าอะไรดีดแต่ว่าบางทีก็เห็นไตหักได้บ้างค่ะ<ม>แต่เห็นแล้วชอบชอบดีใจเวลาเห็นเนี่ยค่ะไม่เป็นไรเราก็ไม่ห้ามดีใจค่ะดีใจรู้ว่าดีใจค่ะส่วนอมีมีคําถามพ่อค่ะในีวิตประจําวันบางทีหนูใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมค่ะบางทีมันไม่สามารถรู้<ม>ได้ตลอดบางทีมันพอไปทํางานบ้านมันจะไปดูกายแทนค่ะ นั่นแหละเราก็ดูกายไปเวลาทํางานบ้านจะมาดูลมอยู่อย่างเดียวได้ไงก็ต้องดูร่างกายที่เคลื่อนไหวบ้านถูบ้านก็เห็นร่างกายมันทำงานคบางทีมันก็ไปรู้จิตแทนคือแบบสมมติรู้จิตแทนก็กลับกลับมาที่ลมใช่ไหมคะเราเลือกไม่ได้ค่ะจริงๆแล้วการพอนานถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ก็ยดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ก็กลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานมาอยู่กับลมหายใจนี่ทําสมถะ <K un> มันมีแนวรูปแนวรับเงินถ้ากําลังเราดีนะเราก็เห็นจิตมันทํางานค่ะนะถ้าไม่เห็นจิตทํางานเราเห็นร่างกายทํางานถ้าจิตก็ดูไม่ได้กายก็ดูไม่ได้เห็นร่างกายหายใจกลับมาอยู่ที่กรรมฐานของเราค่ะ <K un> อย่างนี้ยเรามีแนวรูปแนวรับของเราคื <K un> อช่วงนี้หนูรู้สึกว่าเรื่อยๆมากเลยค่ะดูดูไป <K un> เรื่อยๆเรื่อยๆค่ะ <K un> นะมันไม่ยอมเรื่อยๆจริงเรามันหงุดหงิดค่ะนะ กุดหีดอยากดีใช่ไหมคะหลวงพ่อคะหลวงพ่อมีคำชีนะไคะไม่้แต่นี่ะไม่มีอย่างอื่นแล้วอยู่ที่รู้สภาวะอย่างที่เขาเป็นค่ะพรานาดีขึ้นเยอะเลยล่ะใช้ได้ค่ะขอบคุณหลวงพ่อค่ะคนดีทุกคนเลยคนนี้ก็ดีอีกการหลวงพ่อจ้าค่ะคือฝึกตามรู้ตามดูเรื่อยมาแล้วก็เต่อย่าให้ใจมันท้อแท้นะรู้สึกจิตใจมันฟุ้งซ่านมากแล้วก็รู้นะค่ะ ไม่ตั้งมั่นแต่ว่าหลังๆนี้จะสามารถรู้ใจได้บางทีมีเรื่องที่อยากจะเล่าอะไรอย่างเนี้ยเราก็จะทันว่าเล่าไปแล้วมันไม่มีประโยชน์ชจะพูดเป็นทําไมก็ลเลิกแล้วพูด เ, เพื่อระบายอารมณ์ค่ะอยากขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยชี้แ น, นะเรารู้สภาวะอย่าที่เขาเป็นนะค่ะใจเรายัางมันมีอารมณ์ฟุ้งซ่านหดหูเนี่ยเยอะตัวเนี้ยฟุ้งซ่านกับหดหูหดหู นะให้รู้ทันฟุ้งซ่านก็รู้หดหูก็รู้รู้อย่างที่เป็นนะในทางร่างกายเนี่ยใช้ได้ใจกับจิตเนี่ยแยกกันเป็นธรรมชาติแต่เวลาความรู้สึกทางใจเนี่ยยังมีความหดหูมีความฟุ้งซ่านเนี่ยแทรกอยู่เป็นช่วงๆนะดงนั้นถ้าฟุ้งซ่านให้รู้หดหูให้รู้จเจนทั้งมันเป็นกลางนะเวลาดีใจให้รู้ ดีใจเราดีใจแล้ดีใจแล้วก um ็ให้รู้ม sí, ันพอใจใช่ไหมค่ะหลวงพ่อใช่ใช่นพอใจหนูพ่อนาใช้ได้นะค่ดีดีกว่าเก่าเยอะเลยครับขอบพระคุณหลวงพ่อจอ่าท่านสุดท้ายแล้วการหลวงพ่อก็ส่งผ่านบ้านครั้งล่าสุดของพ่อก็ว่ให้ช่วยช่วยยกใหม่นี่ก็ให้ทำหมุ่ตึง มีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็ให้ให้รู้ไว้ว่ามันจะมาหรือมันก็ไปนะครับก็ให้ทําไปเรื่อยๆยาเราไม่แทรกแทรกเขานะเขาเป็นไงก็ได้ครับแต่ว่าสุดมากแล้วเวลามันรู้สึกแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรมันก็จะรู้สึกแน่นอืมพอแน่นก็ก็จะรู้ว่าอันนี้คงจะผิดผิดแล้วก็ปล่อยปล่อยแล้วมันก็ใจมันก็ฟุ้งต่อมันกลัวไม่รู้ ครับอยากรู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้ว่าอยากครับจิตสงบก็รู้นะจิตฟุ้งซ่านก็รู้ ค, รความสงบและความฟุ้งซ่านเนี่ยสอนธรรมะเท่าเท่ากันสอนใจรักงั้นเราดูไปเพื่อให้เห็นใจรักเราไม่ดูดูไปเพื่ อ, อความสุขความสงบอะไรหรอกครับใช้ได้นะอีกสิบคนรไม่ผ่านหมดเลยนะรอบเนี้ใช้ได้ทุกคนเลย ค่อยน่ารักน่าเอ็นดูหน่อยเพราเราใช้ได้สติดีสมาธิใช้ได้นี่เดินปัญญาดูท้าดูกันทำงานเงนียไปเดีย๋ยวเข้าไปแทรกแซงของคุณหมอน่าตั้งใจมากไปมันบังคับตัวเองแรงไปทำให้สบายกว่านั้นร้องเพลงสักเพลงหนึ่งนะเมือ่อใจมันจะแน่นถ้าใจแน่นๆไม่ถูกละอละละหมดละ ครับก็ขอเป็นตัวแทนกล่าวคําถวายปัจจัยและสิ่งของที่มีผู้นํามาถวายนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมพร้อมทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมชปาโมชโชขอพระอาจารย์ได้โปรโดรับเพื่อประโยชน์เ พ, ชนเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นอาสวะในการอันใกล้นี้ด้วยเถิน สาธุขอแปลกนะขอสิ้นอาสวะปัจจัยลรลงพ่อขอมอบให้โรงพยาบาลนะไว้ช่วยคนยากคนจนน ะ, นะอาละพอนะเยาถาอริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอีโตทินนังเปตานางอุปกระปติอิชิตังปฏิตังทุมหังชิปะเมวะสมิชตุ สัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยถ า, ามณีโชติรโสยถ า, าสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังวุฒาปัจจายโนชะตาโรธรมาวันติอายุวโนสุขังกะลัง ขออนุมทนากับทางโรงพยาบาล น, นะทางผู้จัดอนุมทนากับพวกเราที่มาฟังทมด้วย